ซึ่งเป็นนักธรรมจาริกเดินทางเข้าไปในอินเดียเมื่อพุทธศตรวรรษที่11เล่าไว้ว่าพระสถูปเจดีย์ของพระเจ้าอาโศกมีปรากฏตั้งแต่เมืองตา ก, กศิลาทิศเหนือของอินเดียลงไปจนกระทั่งถึงแควนมลกูฏใต้สุดของอินเดียลักษณะสถูปมักจะสร้างเป็นอิฐและสิลาทำเป็นรูปทรงบาดควา่าตั้งอยู่บนฐานสี่เหลี่ยม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 พระกรเหนี่ยวกินต้นสาละไม่มีรูปพระกุมาร 2. ภาพออกมหาพิเนศกรมจำหลักเป็นภาพมา้ากันทกะอศวราชผูกเครื่องอ่านเปล่า 3. ภาพตรัสรู้จำหลักเป็นภาพต้นพระศรีมหาโพพฤึกภายใต้มีวชิระบัลลังก์อาจตั้งอยู่เปล่าเปล่ามีรูปพยามารผจนและนางธรณีปรากฏอยู่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 ประวัติพระโมคคัลีติสสะเถระพระโมคคัลีติสสะเถระเกิดในสกุลพราหมณ์แขวงเมืองปาตาลีบุตรเมื่อน้อยได้อบรมเล่าเรียนไตรเพศจนแตกฉานแต่เมื่ออายุได้สิหกปีเกราหนึ่งพระสิขวะมาเยี่ยมเยียนบิดาของพระโมคคัลีบุตรติสสะกุมารณเรือนที่อาศัยบังเอิญวันนั้นพระโมคคัลีบุตรติสสะกุมารเรียนสำเร็จไตรเพศ